การพูดลมหายใจเข้ายาวออกยาวความคิดต่างๆก็จะดับไปความกังวลต่างๆก็จะดับไปกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระตุกปลายจมูกของเราก็จะเด่นชัดถ้าความรู้สึกไม่เด่นชัดเราก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกของการหายใจเข้ายาวๆเราพยายามสร้างความรู้ตรงนี้สร้างความรู้ตรงนี้ตั้งแต่เตินขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ รู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวรับรู้นั่นแหละเขาเรียกว่าสติถ้ามีความรู้สึกต่อเนื่องก็าเรียกว่าสติที่โตเนื่องพยายามฝึกให้เกิดความเคยคิดความคิดเก่าๆนั้นของเรามีอยู่แล้วบางทีก็คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอน า, าคตสารพัดเรื่องบางทีก็ความคิดเกิดจากตัวจิตส่งออกไปบางทีก็ความคิด เกิดจากอาการของขันห้าเข้ามาปุงแต่งกิจของเราทั้งกิตทั้งขันห้าเขารวมกันไปเป็นสิ่งเดียวกันเรารู้อยู่เพียงแค่ว่าเราคิดเรารู้อยู่เพียงแค่ว่าเราทำเราหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่บางคนบางท่านก็รู้อยู่อยากจะละความคิดอยากจะดับความคิดแต่มันดับไม่ได้บอกว่ามันดับไม่ได้มันหยุดไม่ได้ทั้งที่รู้รู้ทาไมทั้งหยุดไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติเข้าไปดับเข้าไปควบคุมบ่อยๆเราจะไปดับครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็ไม่ได้เราต้องหมั่นวิเคราะห์หมั่นพิจารณาตัวเราอยู่บ่อยๆอยู่หนึ่งๆตื่นขึ้นมาเราได้สร้างประโยชน์อะไรเราได้สร้างคุณงามความดีอะไรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมเราพยายามหัดวิเคราะห์ตัวเราเป็นคนขยันหมั่นเพียร เรามีความเจยดค ล, าล้านเราก็พยายามละความเจ็ดค ล, าล้านเรามีความพยันมันเพียรให้บุกทางเราก็จะไปไเร็วได้ไวภาระหน้าที่สมมุ ต, ติต่างๆเราก็พยายามแก้ไขให้ราบรื่นให้ดีเพื่อที่จะยังสมมุติของพวกเราให้อยู่ดีมีความสุขกันทุกคนก็มีบุญอย่าไปปิดกั้นตัวเรเองว่าไม่มีบุญว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีบุญจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทุกคนก็ได้สร้างบรารมีมาจะสร้างมามากสร้างมาน้อยก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเรามาสร้างตรงเรามาเจริญตรงมาสร้างสั่งตรงเพื่อที่จะเดิดทางให้ถึงจุดหมายปลายทางก็คือความสะอาดความบริสุทธิ์ของจิตเรามันสำรวจจิตของเราเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปสำรวจจิตของเราเราต้องสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างบ่อยๆมันสำรวจบ่อยสติปัญญา ในทางธรรมก็จะเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นไม่ ใ, ใช่ว่าจะมีไปเลยทุกคนนั้นมีสติปัญญาทางสมมติทางโล ก, กีกันเต็มเปี่ยมบางคนบางท่านก็เป็นอริยยะเลยจิดเดียวแต่การน้อมเข้าไปรู้ไปเห็นจิตของเราเราต้องสร้างเราต้องทำเราต้องมันน้อมเข้าไปไปล่อยรู้ไม่ทันเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเอาไว้ให้รู้ว่าขณะนี้จิตของเราปกติจิตของเราไม่ได กังบนจิตของเราไม่ได้ฟงสร้างที่อยู่ของจิตนั้นอยู่ตรงหนักอยู่กลางใจของเรานั้นแหละอยู่กลางหัตถ์ของเรานั้นแหละอยู่ตรงหัวใจของเรานั้นแหละเราพยายามดูรู้ให้ชัดเจ็บมันสังเกตดูเราก็จะเหตุอย่างเวลาเราตกใจเราตกใจที่ตรงไหนเพภาวาที่ตรงไหนเวลาเกิดความโกรธมันเริ่มก่อตัวที่ตรงไหนเวลาเกิดความอยากมันเริ่มก่อตัวที่ตรงไหน นี่แหละเราถึงมาให้จเจริญความรู้ตัวเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันจิตเวลาเขาเกิดรู้เท่าทันความคิดอาการของขันห้าเวลาเขาปลอดตัวแล้วจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเราสังเกตทันเขาก็จะแยกออกจากกันเราก็จะเห็นชัดเจนความว่างความโล่งความโปร่งก็จะเปิดเผยให้เราเห็นเราก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาสมมุติกับปีมตุตเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกัน ให้เรารู้จักจำแนกแฉ่งเสียงเราก็จะเห็นชัดเจนการชำระสสางกิเลสก็ต่าง ม, มาการทำความเข้าใจก็ตามมาเราจะละได้หมดหรือละไม่ได้หมดก็ขึ้นอยู่ความเพียนของเราอย่าไปเลือกกะเลือกเวลาทุกเวลาทุกลมหายใจเข้ออกมีคุณค่าสำคัญตราบใดที่เรากำลังสติของเรามีน้อยถ้าเรายังสังเกตจิตกับขันท่าแยกอกจากกันไม่ได้ กำลังสติของเรามักจะพลังลพล้งเผยพลั้งเผอเสียมากกว่าตังแต่ตื่นขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้สำรวจเลยว่าจิตของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเป็นกุศลหรือ ว, ว่ากุศลความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราสักกี่อยา่างสักกี่ครั้งเราก็ไม่ได้สำรวจดูเรารู้อยู่ในระดับพงสมมุติเท่านั้นเองว่าจะไปโน่นมานี่ทำโน่นทำนี่อาจจะอยู่ในกองบุญกองกุศลเท่านั้นก็ยังดีก็ต้องพยายามกัน อย่าปล่อยให้จิตของเราตกไปสู่กองอกุศลนอ้อมจิตของเราให้ไปในกองกุศลในตลอดเวลาทักวันหนึ่งเราก็จะเดินถึงจุดหมายไปถ้าไม่ว่าพระวจยมัชย์ก็พยายามพยันมันเปลี่ยนกันมันสร้างอานิสงส์สร้างบา ร, รมีอาศัยสมมุติอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ได้มาอยู่ร่วมกันเราเคยสร้างอานิสงส์สร้างบุญมาร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เคารพกันในธรรม